แ4ความเป็นอนุัยที่มีนัยสำคัญยิ่งนักของจิตนิยามถ้าทำได้ถึงขั้นดับชีวิตสินรีของชีวะขั้นจิตนิยามสาเร็จก็ถึงขั้นดับอาสวะได้เป็นเอกกักขตาสู่ความเป็นปุริสินสีปุงลิงแต่ยังไม่หมดสิ้นอนุัยที่สุดท้าย ก็เหลือพลังงานอยู่ในสภาพเสมอเหมือนผีชั้นยามอย่างมีในยะสำคัญคือไม่ทำบาปทั้งปวงได้แล้วอากุศนธจิตที่เราดับได้นานไม่มีพลังงานไม่เกิดเป็นพลังงานอากุล น, น้นอยู่ในจิตเราอีก <S <S เพียงอาสภาษษเท่านั้นดับหมดสิน้น เป็นจิตที่ไม่มีการแตกตัวขยายตัวตนของอกุศลจิตอีกเท่านั้นจึงเหลือแต่อนุสัยตัวปลายเป็นอนุสัยชนิดที่มีแต่คุณค่าประโยชน์ซึ่งมีแรงมีพลังงานมากตามคุณสมบัติของอนุสัยแต่ละคนที่มีปริมาณและคุณภาพนี้คือผู้สามารถดับชาติของอาสวะในตนเท่านั้น เป็นอรหันต์ขั้นปัญญาวิมติก็ไม่มีอาสวะแล้วแต่ยังมีอนุสัยที่เหลืออาศัยอยู่ซึ่งไม่เป็นธรรมะสองแล้วปรุงเลี้ยงเท่ากับเอกกกขตจิตเท่ากับเอกบุรุษปัญญาวิมตินี้ยังสามารถทําความดับพลังงานขั้นต่อไปให้สู่ความเป็นกลางที่ไม่มีเพศ นะปรุงสกเกรียงอีกได้เป็นขั้นดับอนุสัยที่เป็นพลังงานอากุศลขั้นละเอียดลึกกว่าอาสวะอีกขั้นหนึ่งสู่ความเป็นผู้อุพโตภาควิมุตสุดท้ายก็จะเหลือชีวานุปาธิที่จะเรียกว่าเป็นอนุสัยที่อาศัยซึ่งสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะสมบูรณ์ ทำงานอยู่กับชีวิตของอรหันต์ขั้นอุพัโตภาควิมุตต์ซึ่งเป็นอมตะบุคคลก็สำคัญมั่นหมายกันให้คมคมชัดชัดแม่นแม่นตรงๆงเถิดจนกว่าท่านจะทำปรินิพานเป็นประโยสารแก่ตนสุดท้ายเองพลังงานอากุศลของอาสวะก็ดีของอนุสัยก็ดี จะมีภาวะถูกกรรมจัดไปอย่างหมุนรอบเฉิงซ้อนที่สลับไปมาซับซ้อนเหลื่อมกันอยู่ซึ่งละเอียดเกินสามัญที่จะรู้ได้ไง่ายๆแต่เรียนรู้ได้มีภาวะเป็นไปได้จริงเราจะเรียนรู้จากการสัมผัสการตั้งแต่ธรรมสองที่เรียกในภาษาธรรมว่ากาย ไปจนกระทั่งมากกว่าสองปรุงแต่งกันอยู่ซึ่งต้องมีนามธรรมเป็นท่ารู้ที่จะรู้ตามเห็นตามชาณะโตปัสโตพลังงานจริงนั้นนนไปตลอดได้มากขึ้นมากขึ้น